นั่นเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติ บ, บางคนก็มีสมาธิกับการคิดมากดื่มดำกับมันจนลืมตัวก็มีมีเรื่องเล่าว่านักวิทยาศาสตร์เยอรมันบางคนเดินครุ่นคิดกับปัญหาวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าเขาเดินสะดุดหกล้มหน้าคว่หวัดพื้นเต็มที่พอมีคนเข้ามาช่วยประคองเขา <éf. S 1> เขาก็พูดขึ้นมาทาั้งทั้งที่กำลังนอนอยู่ว่า อย่ามาวุ่นวายกับผมได้ไหมผมกาลังยุ่งเขามีสมาธิกับความคิดอย่างมากจนลืมตัวไปว่ากำลังนอนแผ่้าอยู่นี้เรียกว่ามีสมาธิแต่ขาดสติเราต้องมีสมาธิที่ประกอบด้วยสติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีคนมาเรียกโทรศัพท์ดังเสียงฟ้าร้องเราก็สงบได้เฉยได้